มูพระพุทธเจ้ามาอยู่วัดวดา ว, วัดหนึ่งได้เนี่ยไม่ใช่จะจับยกกันมาลอยๆซึ่งเป็นเรื่องที่จะไม่มีค่าที่ทําให้สมค่าสมฐานะสมความที่ท่านเป็นพระโพลุมศาสดาเอกของโลกตอนนั้นก็ช่วงแรกเราก็ได้ตามพุทธิเขาจะทําพิธีสวดเบิกพระเนตรกันเป็นคืนๆ น, นะซึ่งประเพณีทางเหนือเป็นอย่างนั้นแต่นี้เราก็เอาอพระคาถา เกี่ยวกับหัวใจอของพุทธเจ้าแล้วก็พระคาถาที่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะมาบรรจุในพระองค์ท่านแล้วก็ได้บรรจุพระธาตุของท่านดงตรงนั้นมิกกี้นะก็ถือว่าสาเร็จเป็นองค์พระที่ไม่ได้เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่อยู่ในร้านค้าแล้วเอามาขายกันละทนี้คือเป็นองค์พุทธที่เหมือนกับตัสรู้แล้ว เมื่อก่อนก็เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่อยู่ในร้านตอนนี้มาสถิตที่ตรงนี้แล้วก็เป็นองค์ของพุทธเจ้าไม่ใช่เจ้าชายสิท ธ, ธัาะแล้วนะต่อไปท่านก็จะแสดงธรรมเพราะว่าแสดงธรรมแบบพุทธเจ้าคือท่านนั่งให้ดูเฉยๆแสดงธรรมใครมาท่านก็นั่งให้ดูทําอย่างชั้นนี่นะนั่งดูเฉยๆคือในใจเนี่ยให้ใจนิ่งๆอย่างนี้แหละ ท่านแสดงธรรมโดยไม่ต้องพูดใครขึ้นมาเห็นพระรูปนั่งนิ่งๆมีปากก็ไม่พูดมีหูก็เป็นหูยาวๆหูยาวๆหมายวไมว่าฟังฟังอย่างเดียวฟังจนหูยาวเลยเหมือนกันเนะ่ท่านฟังมากจนหูยานนะคือคนไหนที่มีพุทธภาวะในใจนี่ชอบฟังแต่ไม่ชอบพูดคนไหนที่ไม่มีพุทธภาวะอยู่ในใจชอบพูดแต่ไม่ชอบฟังสังเกตรงนั้นนะ คื่ถ้ว่าสามีบ่นภริยาชอบฟังจังนั้นนะฟังเฉยเฉยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเสรีว่ามีพุทธภาวะหรือบริยาบ่นสามีก็ฟังตั้งใจฟังยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าอะใจของสามีมีพุทธภาวะดีไหมเนี่ยฉันไปวัดป่ามาวัดเขามานี่นะได้พระพุทธเจ้ามาไว้ในใจเลยวันนี้ะชอบฟังถ้าจะบ่นจะว่าจะด่าฉันก็เชื่เลยนะเดี๋ยวนี้ฉันชอบฟังแล้วเกิดอะไรนะก็จะเกิดปัญญาเรื่อยๆคนพุริชาท่านตัดว่าสุดสูสังละพระเตปัญยญง คนเป็นนักฟังอ่ะเป็นคนมีปัญญาทุดหูสังละประเดตันหังคนฟังไม่ตั้งใจฟังคนนั้นมีแต่ตันหาอันนี้เป็นพุทธพจน์นะมาไม่ได้ว่าเราเองนะะหลายคนกคงได้ยินมาก่อนนะะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังคําว่าหูยานนี่หมายว่าคนที่ฟังแล้วไม่ย่อฟังลึกๆฟังไปยาวๆไม่ใช่ฟังสั้นๆฟังสั้นๆฟังไม่ได้จับฟังไม่ได้สับเพื่อนว่านะแล้วก็ สวนเลยว่าไงนี่คนละคนหูสั้นดันั้นเราจะเห็นโบราณวคนหูสั้นเป็นคนขี้โกรธใช่ไหมแต่คนหูยาวเนี่ยเป็นคนใจเย็นก็หมายถึงเขาชอบฟังนะอาดมาใครมานั่งพูดให้ฟังนั่งนั่งฟังได้สบายนะเขาไม่นั่งดินทาด่าว่าข้านามานั่งฟังพอฟังแล้วทําให้มันได้ฝึกฝนอ่ะอ่ามันให้ฝึกฝนตัวเองถ้าคนที่ชอบฝึกฝนตัวเองคือคนชอบฟังเราพูดฟังฟังด้วยดีนะนะไม่ใช่ฟังแบบนิดอยู่ข้างในนะ ฟังแล้วกูจะสวนมันแบบไหนฟังแล้วก็กูจะตอบกลับมันแบบไหนนี่เขาเรียกว่าฟังแบบไม่ดีฟังแล้วคิดอกุศลอยู่ข้างในแต่ฟังแล้วฟังด้วยดีไหมเขาฟังด้วยใจดีนี่เขาเรียกว่าฟังแล้วเกิดปัญญาทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่องนี้มากนะหาเรื่องฟังแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพูดพูดกันได้เยอะเหลือเกินนะแต่ว่าคุณฟังไม่ค่อยมีนะดังนั้นเองพุทธลูกจะสอนให้อาราธนที่หนึ่งก็คือมีหูยาวสองเราจะเห็นว่า ศีสากของท่านนะ่ะแหลมใช่ไหมแหลมหมายถึงว่าทําไมคนทั่วไปไม่หัวไม่แหลมเพราะว่าไม่ใช่องค์พุท ธ, ธะหมายว่าคนที่มีพุท ธ, ธะอยู่ในใจ เ, นเป็นคนหัวแหลมพุทธภ า, าวะคือมีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคําว่าพุทธภ า, าวะหรือพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้หมายถึงว่าองค์เจ้าชายชีสาะองค์เดียวแต่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนค้นพบค้นพบ ภาวะพุทธะในใจของคนทุกคนทุกคนมีภาวะตื่นรู้เบิกบานอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองมีแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็นมาบอกอหลังจากท่านรู้ท่านก็นบอกเออใจของคุณนะมีพุทธภาวะอยู่นะมีภาวะตื่นรู้เบิกบานเป็นคนสอาดสะอาด ส, สว่างสงบอยู่แล้วเนี่ยเป็นมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเธอไม่ค่อยได้เปิดดวงตาเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าพุทธลูกแท้จริงนั้นต้องเปิดตานะถ้าพุทธลูกที่ไหนปิดตานี่ไม่ใช่นะ ตาดำกับตาขาวเห็นไหมถ้าคนตาดำเหมือนคนใจดำใช่ไหมถ้าคนตาขาวเป็นไงคนที่ขาดบาดกลัวใช่ไหมนั้นท่านบอกว่าตาของเราเนี่ยให้มองได้ทั้งสองอย่างจะมองแต่ชั่วก็ไม่ได้จะมองแต่ดีก็ไม่ได้ให้มองทั้งสองด้านส่วนที่ไม่ดีก็ให้เห็นส่วนที่ดีก็ให้เห็นนั่นเราเราจะครบนะนี่คือตาพระพุทธเจ้าคือมองแบบสมดุลน่ะคนส่วนใหญ่ได้ จะเห็นคนอื่นไม่ดีก็มองแต่ไม่ดีของเขาเนี่ยแต่ความดีเขามีอยู่แต่เราไม่ยอมมองแล้วก็ได้มีตาเดียวใช่ไหมมีตาเดียวหรือบางคนเห็นคนนนดีเหลือเกินดีไม่ได้สนใจเครคนนี้ดีเหลือเกินก็ไปหลงความดีของเขาแต่ในความดีนั้ก็มีคนไม่ความไม่ดีในตัวเขามีอยู่แต่เรามองไม่เห็นพอเราหลงกันยังไงอย่างบ่าวสาวเนี่ยรักกันหลงกันใช่ไหมมองแต่ความดีของกันเลยกันอแต่พอได้ไปอยู่กันแล้วก็ทีนี้อะไรเกิดตาสว่างใช่ไหม พระตาสว่างแล้วมันเก่าข้างเลยแทนที่จะมองในส่วนดีของกันว้างใช่ไหมกลับไปมองส่วนที่ไม่ดีหมดเลยไปมองสุดขั่วเลยมองในส่วนที่ไม่ดีอยู่กันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเอาตอนแรกดูไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะตายให้ได้ใช่ไหมนี้พอมองในส่วนที่ไม่ดีของกันมันอยู่ด้วยกันมันจะตายให้ได้เหมือนกันคุยจะทิ้งกันให้ได้อยู่กันไม่ได้เพราะไปมองแต่ส่วนดีก็ดีจนหลงส่วนชั่วก็ชั่วจนอยู่กันไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าว่าดูในส่วนดีก็เผื่อชั่วไว้ด้วยดูในส่วนชั่วของอื่นก็เผื่อดีของเขาไว้ด้วยอ จะมีดีส่วนเดียวจะเที่ยวหาที่ไหนสหายเอ่ยท่านบอกอาจารย์พุทธทาสบอกว่าคนก็มีทั้งสองส่วนจะเป็นเที่ยวหาในส่วนเดียวดังนั้นในตัวเราท่านบอกฝึกให้มองทั้งส่วนเดียวในตัวเราก็เหมือนกันนส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีใช่ไหแต่คนส่วนใหญ่จะมองในส่วนที่ตัวเองว่าเป็นไง ส่วนที่ดีๆใช่ไหมแต่ส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีไม่ยอมมองอ่ะนะไม่ยอมมองแต่คนอีกมีความจริงมีหลายอย่างในตัวเราที่ไม่เข้าท่าเนี่ยแต่เราไม่ยอมมองมั น, นเรามองในส่วนฉันดีนะอะฉันแน่นะฉันดีกว่าคุณนะแต่ ม, มีไม่มีใครพูดวา่าฉันแย่กว่าคุณนะผมจึงยอมรับว่าฉันแย่กว่าคุณเนี่ยแต่ถ้าคนพูดอย่างนั้นได้เนี่ยก็เรียกคนนั้นเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสติเป็นคนดี แต่ว่าส่วนใหญ่ฉันแน่กว่าคุณนะฉันดีกว่าคุณนะฉันรวยกว่าคุณนะฉันเกียรติสูงกว่าคุณนะฉันมีฐานะมากกว่าคุณแนละก็ไปทางนู้นหมดนะเพราะฉะนั้นให้มีตาอย่างพุทธเจ้าคือมองทั้งส่วนดีส่วนเสียของทังตนเองและผู้อื่นมองในส่วนดีก็เพื่อเราจะได้ทำตามต่อไปมองในส่วนที่ไม่ดีก็เพื่อเราจะแก้ไขมันต่อไปนะให้มีตาเหมือนพุทธเจ้าและจมูกทำไมดุง่งละขึ้นละ่ะ คนเท่าไปจะงกบอกพระเจ้าเกิดเป็นแขกจมูกเลยโด่งไม่ใช่นะเขาไอสันจมูกโด่งไหมว่าเป็นคนทําอะไรทําจริงไม่ทํำเ ล, เล่นๆไม่ทําหญ่ๆใหญ่ๆทําอะไรให้ให้เสร็จว่างั้นไม่ไม่ขราใครสัง่งเพราะเราจะเห็นฝรั่งเนื้อจมูกโด่งใช่ไหมฝรั่งทําอะไรทําจริงนะใช่ไหมทำจนเสร็จอะ แต่คนจมูกสั้นจมูกแฟ้มนี่ทาไม่ค่อยจริงทําแล้วก็ไม่ค่อยสําเร็จเราฝลังจมูกดวงเพราะเขาทำอะไรจริงพระพุทธเจ้าเมื่อนกันทําอยูก่กระทั่งอพอไปนั่งบนวนหลังเนีย่ยถ้าฉันไม่เข้าใจธรรมะนะฉันจะไม่ลูกจักที่นี่ไม่ฉันจะตายฉันจ ะ, ะเนื้อเย็นกระดูกเลือดในสรีลานี้จะหมดแห้งแห้งไปก็ตามถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่ฉันค้นหาฉันจะไม่ลูกจักที่นี่จะตายก็ยอมอธิษฐานเลยนะท่านเลย เห็นนี่คือนั่นเลยนะอ๋อจริงๆแล้วเราเนี่ยมันหลงชีวิตถ้ามาเห็นนะชีวิตก็มีแค่สองอย่างคือกายกับใจรูปกับน้ำแต่เราไปเห็นว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เห็นว่าคนเป็นดีคนชั่วคนสวยคนหล่อคนรวยคนจนคนฐานรักฐานดีเห็นตนเองเป็นพ่อเป็นแม่เห็นตัวเองเป็นทหารตำบทความเห็นไปสารพัดอย่างแต่ความจริงจริงๆแล้วคนเรามีแค่สองอย่างคือ กายกับใจลูกก <t> ับนามแคะ่นั้นน่ะตอบมาเห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตามประวัติของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านปรุงพระเกษาปรุงพระผมเนี่ยปรุงเกษาแล้วเนี่ยผมพระพุทธเจ้างอกขึ้นอีกไหมใครบ้างที่รู้ประวัติตรงนี้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านปรุงผมผมท่านยาวกว่าเดิมอีกไหมไม่ได้ยาวกว่าเดิมผมท่านยาวแค่สององค์คูรีสําหรับเดสององค์คูรีหมายของว่า หลังจากผู้ย่อบรู allah, oven, pass, aumentar, no ้ธรรมนรื like ่ความคิดท่านไม่ได้ยาวออกไปเลยความคิดท <mot> ่านจะมีอย <ung> like ู่สองเรื่องคิดเรื่องกายกับใจเรื่องลูกกับน้ำนั้นบอกว่าเมื่อพระองค์ปรุกผมแล้วเนี่ยพระเกศาไม่งอกอีกเลยแต่อยู่เหลืออยู่แค่สององค์คุีหมายความหลังจากที่เราเข้าบรู้ธรรมแล้วหลังจากเข้าใจธรรมะแล้วเราจะคิดอยู่แค่สองเรื่องเรื่องกายของตัวเองเป็นยังไงเรื่องใจของตัวเองเป็นยังไงนะพอเห็นกายเห็นใจของตัวเองแล้วเป็นไงมันก็เห็นของคนอื่นด้วยรู้เรื่องของตัวเอง ยิ่งมากเท่าไหร่ก็รู้เรื่องของคนอื่นมากเท่านั้นทุกวันนี้มันตรงข้ามเนาะเราไปรู้เรื่องคนอื่นมากแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยไม่รู้จักตัวเองตัวเองโกรธเอ๊ะทำไมจึงโกรธไม่เคยถามตัวเองเลยใช่ไหมตัวเองเขาว่ามาไม่พอใจก็ไม่เคยมาดูตัวเองว่าทําไมมันไม่พอใจแต่เราไปบอกว่าไงมึงทําไมทําให้กูไม่พอใจไปดูตรงนั้นขอโทษในใจคราวนี้มึงทําไมว่ากูอย่างนี้มึงทําไมทํากับกูอย่างนี้แต่ไม่ได้พูดว่าทําไมฉันคิดแย่ๆอย่างนี้นะ ทำไมชันใจร้าไอ้แก่นะเราฉั้นคิดทํำไมเป็นอย่างนี้ใจฉั้นเป็นอย่างนี้ใจฉั้นไม่ดีเลยนะแต่เราไปบอกว่าใจคุณไม่ดีเลยนะทำไมคิดกับผมอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่เคยคิดว่าไอ้ใจฉั้นไม่ดีเลยนะคิดกับคุณอย่างนั้นไม่เคยพูดดังนั้นอันนี้เราก็จะต้องมีจมูกโด่งคืดเป็นคนจริงจังตั้งใจทําอะไรต่อเนื่องทําอะไรถูกต้องคื อ, อจมูกโดงนะะต่อไปเราจะเห็นว่ามีอะไรอีก อมีไหล่กว้าง อ, อกขวายไหลพึงนั่นหมายความว่าคนมีสมาธิสูงอะไมีใชว่าท่านเป็นคนกล้าเนาะผู้ที่เจ้าอาเป็นตัวเล็กๆอย่าตำมานี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าที่ท่านอันนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์นะไม่ใช่ผูทธเจ้าองค์จริงถ้าเราไปเห็นพุทีเจ้าองค์จริงแล้วก็วิ่งกันแจ่นมึงกันนั้น่าเจอแบบนี้ใช่ไหมคนอะไรก็ไม่รู้แปลกวิ่งกันเลยนะอืม อ, อกละขวายไหลพึงหมายความว่าเป็นคนสมาธิตั้งมั่นไม่ค่อยหวั่นไหวอะไรกับใครง่ายๆ อ, อะไรได้ยินเสียงอะไรก็เฉยๆไว้ก่อนไม่ต้องตอบสนองทันที แต่เภทที่ว่าฟังข้าหูก็ถูโอกปากอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้นะพอคําพูดเข้าตรงนี้ออกตรงนี้เลยออกปากเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีสมาธิคนสมาธิสั้นและเป็นอันตรายนะท mm ี hmm. นี้เราก็มาเห็นว่าท่านทําไมท่านถึงนั่งมือผ้หัดข้างหนึ่งวางไว้บนตักท่า mm hmm. นบอกว่าอข้างหนึ่งเรื่องไหนควรเปิดเผยก็ต้องเปิดเผยข้างหนึ่งคว่อยู่ตรงนี้เรื่องไหนควร ปิดไว้ก็ต้องปิดไว้ไม่ใช่จะเปิดหม่ทุกเรื่องเขาเรื่องคนปากสว่างใช่ไหมถาคนปิดทุกเรื่องก็เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมมัมีมายาเยอะใช่ไคนตกปิดคนไม่จริงใจเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราก็ต้องเปิดสมควรเปิดบางเรื่องต้องปิดก็สมควรปิดอย่างความลับของครอบครัวอย่างนี้นะถ้าเราไปพูดกับคนทั่วไปเปไง ก็อยู่กันไม่ได้ความลับของราชการความลับของการความลับของการงานความลับของตัวเองเราก็ควรปิดไว้แล้วไปเปิดเผยกับใครเปิดสําหรับคนที่ควรเปิดอืมเรือความลับของสามีเราไปทําอะไรไว้ถ้าไปเปิดเผยกับลูกกับเมียเนี่ยเราก็กลัวเสียเหลี่ยมเราไปเปิดเผยกับคนที่เราพอใจว่าหลังเขาเอาเรื่องของเรานมาตีกับเราแต่เราควรจะเปิดเผยแก่คนที่เราไว้ใจว่าคนจะช่วยเราได้ นะจากนั้นเปิดในคือส่วนที่คนเปิดปิดในส่วนที่คนปิดคือมือข้างนึงเปิดมือข้างนึ่งปิดแล้วก็ท่านตั้งตัวตรงนั่งตรงหนะมายเขก็เป็นคนตรงนะไม่คนเป็นที่ไม่คดในข้อ ง, งอนในกระดูกเป็นคนตรงไปตรงมานะเรียกว่าเป็นอุชุ ป, ปฏิปนูเนะสร็จแล้วฐานที่รองรับส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นดอกอะไรดอกบัวใช่ไหม เป็นดอกโบงหมายนะเป็นดอกบบงหมายควาว่าใครก็ตามที่มีพุท ธ, ธะอยู่ในใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นคนนั้นจะต้องอยู่กับความเบิกบานมีความสุขตลอดเวลาคือท่านเปิดสมุนดอกบัวที่เบิกบานนะภาะวะตื่นคือหมายถึงว่าท่านอมองเราตลอดเวลาเพราะว่ารู้หมายความว่าท่านมีหูยาวมีเสียแหลมคมหมายความมีปัญญาเฉียบแหลม นะอภิญญาเฉียบแหลมเพราะว่ารู้นั่นเองรู้ทุกเรื่องแต่ว่าจะเลือพูดแต่เรื่องที่จําเป็นรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ได้พูดทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ได้คิดทุกเรื่องแต่รู้ทุกเรื่องใช้ทุกเรื่องเมื่อคราวจําเป็นเท่านั้นน ะ, อ, ะอันนี้คือเป็นผู้รู้พูดตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานวันนั้นเอามาถามพระฤโยมว่าเอ๊ะทำไมข้างๆพระพุทธรูปเนี่ยมักจะมีนางยักษ ผู้ตัวผู้ตัวหนึ่งนะยักษ์ตัวเมียผู้หนึ่งย่อมรู้ไหมใครรู้บ้างว่าทําไมจะต้องมียักษ์อยู่ข้างพุทธเจ้าด้วยฮะใครทราบบ้างไหมว่าในพุทธภาวะเนี่ยหมายค่าเรายังอยู่กับดีกับชั่วได้อยู่กับยักษ์ก็ได้อยู่กับเปรตก็ได้อยู่กับผีก็ได้อยู่กับคนก็ได้อยู่กับเทวดาก็ได้คืออยู่กับดีก็ได้อยู่กับแต่ว่าไม่อยู่เหนือดีเหนือชั่ว ให้เนื้อชั่วดีชั่วนให้อยู่ต่ำกว่าเราแต่เราต้องอยู่เหนือดีหนือชั่วคือไม่ตกเป็นท่านของความดีและไม่ตกเป็นท่านของความชั่วถ้าตกเป็นท่านของความดีแล้วก็เห็นคนทุกคนดีหมดในที่สุดต้องถูกหลอกเอาต้มเอาใช่ไหมเขาก็คนที่ดีแต่นอกในไม่ดีก็มีแล้วก็มองไม่ออกนี่ตกเป็นท่านของคนดีและความดีก็จะทําให้เราทําอะไรดีจนไม่ลืมหูลืมตาก็ถูกหลอกแล้วก็เป็นคนที่รักเกลียดคนชัว่ว ก็ไปเขียจนจริงในคนชั่วเขามีของดีอยู่แต่เราก็ไม่มองเห็นความดีของเขาใช่ไหมเมืคนชั่วยไปใกล้มันจะไปคบมันอ่าไม่ได้ถ้าจะเปรียบเหมือนกายนเวลาโยมทํากับข้าวเนี่ยเราจะแกงปลานะสมมติแกงปลาเนี่ยปลาเนี่ยเวลาจะแกงเนี่ยเราจะต้องไซค้างเอาขี้มันทิ้งไหมเวลาแกงเนี่ยก้างมันเอาทิ้งไหมแกงทั้งก้างทั้งขี้มันน่ยบางที แต่ว่าเวลากิน ไ, ไงเลือกเอาก้างออกหมายความว่าเราอยู่ในคนดีคนชั่วในสังคมมันมีทั้งดีในชัว่วในคนดีก็มีความชั่วยอยู่ในคนชั่วก็มีความดีอยู่เหมือนเดามีทั้งเนื้อและมีทั้งก้างแต่เวลาจะใช้ใช้กินแต่เนื้อแต่ก้างเอาทิ้งเราจะเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะคบใครดีใครเราเลือกเอาส่วนดีของเขาส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปไปยุ่งกับเขาไอ้คนนี้ไม่ดีอย่าไปใกล้มาเลยคนนี้ไม่ดีอย่า ก็พากันตีชิ้นดินทาดุด่ า, าว่ากล่าวนั่นหมายความว่าเรากืนข้างเข้าไปด้วยเรากินข้างเข้าไปด้วยข้างว่าก็ติดคอคนก็ก็เลยไม่สามัคคีกันเพราะว่าไปเอาความไม่ดีของกันมาแพ่แล้วก็คนที่ว่าคิดว่าตัวเองดีก็จะกลุ่มเฉพาะคนดีแต่คนชั่วมันเยอะกว่าแล้วก็อยู่เขายากแล้วก็นเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดปัญห า, าเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนแต่และคนมีความดีและความชั่วยอยู่ในตัวแต่ให้เราอยู่เหนือดีเหนือชัว่ว อย่างน้อยอยู่ข้างๆใต้นี้แต่ถ้าหากว่าคนที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วไม่ได้ก็เอาเนี่ยตัวนี้ไปไว้บนศีรษะเลยเพาะงั้นแบกดีแบกชั่วเอาไว้แล้วก็ทุกพอดีพอชั่วเราก็มาได้ใช้ดีใช้ชั่วเป็นเครื่องมือหรือบางทีนะสมมุยโยงเอาละแกงปลาเนี่ยแกงเนื้อเนื้อปลาดีใช่ไหมแต่ทําไมใสพ่พริกพริกเป็นยังไงพริกร้อนใช่ไหมทำไมใส่เกลือเกลือเค็มใช่ไหมทําไมใส่ หิ้งขา่าด้วยไขมันร้อนทําไมใส่ ท, ทั้งที่มันเป็นพิษนะนั่นหมายความว่าความดีก็ความชั่วถ้าหากว่าแบ่งสัสดส่วนให้เท่ากันมันจะอร่อยหิงขาง่ า, าใครมันร้อนเกลือมันเค็มพริกมันร้อนแต่ถ้าใส่มากแกงกินไม่ได้แต่ถ้าใส่สัดส่วนที่พอดีแกงอร่อยนั่นหมายความว่าคนเราจะเป็นคนดีบางครั้งก็ฝึกทําชั่วไว้บ้างเจ๊ทาไมพูดอย่างนั้น ถ้าโยบิคนดีกับลูกกับเมียตลอดเนะหัวใจดีพ่อเมียมีเมียไปมีชู้เห็นไหมพ่อแม่ใจดีลูกก็เลยเสียคนใช่ไหมนี่มันก็ฝึกความเชื่อหมายของว่าถึงบทใช้อํานาจก็ต้องใช้แต่ใช้อย่างมีปัญญาทุกวันนี่ที่นักเรียนมันคุมกันไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ให้ทําความชั่วไม่ให้ครูตีเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทาไมครูเด็กทังเชื่อครูเพราะครูตีได้แต่นี่ครูตีเด็กไม่ได้เด็กว่าแล้วไม่เชื่อ ผู้อย่างเดียวเด็กก็เลยเสียคนคุณก็ไม่อยู่ดังนั้นความดีความชั่วถ้าได้ใช้สัด ส, ส่วนเด็พอดีมันจะอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่รู้จักใช้ความดีความชั่วให้เป็นประโยชน์เราถึงเป็นอย่างนี้นะเราจะทําดีกันอย่างเดียวทีนี้มันไม่ได้คนที่ไม่ใช่มีปัญญาเหมือนกันทุกคนยังคนยังแยกดีแยกชั่วไม่ออกต้องใช้อํานาจเมื่อคนในสังคมยังแยกดีแยกชั่วไม่ออกต้องใช้อํานาจมาปกครอง แต่เมื่อไรเขาแยกดีแยกชั่วกแล้วก็ไม่ต้องไปตีเขาแล้วเขามีเห็นมีผลแล้วแยกดีแย ก, แยกชั่วเป็นช่วงที่เขาแยกดีแยกชั่วไม่เป็นเนี่ยต้องใช้อำนาจหมายความลูกปรหยัดอย่าไปทํานะแต่หากว่าเขาแยกไม่ออกไม่ให้ทำเพราะอะไรบางครั้งก็ทําความช่วยเช่นว่าเวลามีอยมมีลูกเล็กๆใช่ไหมมัร้องร้องร้องๆ้องเนี่ยเอราก็บอกอย่าไปร้องนะเดี๋ยวเสือมามันเงียบเลยเสือมาจริงไหม นั่นหมายความว่าเราทําชั่วแล้วก็พูดกโกหกใช่ okay, ไหมแต่จำเป็นต้องพูดเพราะเด็กมันไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กหยุดร้องหนีคือทําอย่างนี้แล้วเวลาพัญญาไปเล่นไพ่ไปเล่นการพนันเนี่ยก็ต้องไปไม่ไปกูท่านอ่าลงโทษแกนะถ้าไม่ไปไ ม, ไม่ไม่ลงโทษก็เรียกว่าต้องแจ้งตํารวจจับเลยเนี่ยอันนี้ไม่ดีแต่ต้องทําเพราะเขาไม่เชื่อฟังต้องใช้อํานาจหรือบางทีสามีไปกินเหล้า ไปเล่นไพ่ภรรยาเขาบอกอย่าไปนะไปฉันไม่อยู่ด้วยฉันเลิกเลยจะขูไว้ก่อน เขาก็ไม่กล้าไปนะเขาเขาเรากลัว เ, เขาเลือกอันนี้การที่เราพูดขู่ยี่คือการทําช่วยชิ่หนึ่งแต่ว่าทําชั่วในโอกาสที่เหมาะสมก็จะเกิดเป็นประโยชน์นี้เรียกว่าใช้ความดีความชั่วให้เป็นประโยชน์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วมันจะเกิดความพอดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนความพอดีสุดตรงดีเกินไปก็ไม่ดีสุดตรงทางหนึ่งชั่วเกินไปก็ไม่ดีพระุทธเจ้าจึงพบเส้นทางอะไรมัชชิมาปฏิปัตห ใช่ไหมผู้รีเจ้าเคยดีมาแล้วก็ไม่บรรลุธรรมอะไรเคยชั่วมาแล้วก็บรรลุธรรมไม่ได้พอท่านมาเธอจกลางสายกลางแค่นั้นแนหะบรรลุธรรมได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือองค์พุทธะที่มานํามากล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรในเวลาเขาขอนมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่จะนําเอาองค์พุทธะนี้ไปฝังไว้ในห้องสนึกในจิตใจใจคือเพราวะ ตื่นรู้เบิกบานไม่ใช่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงองค์พระชาติแต่นึกถึงเพาว่าตื่นรู้เบิกบานในใจเราเองเมื่อเราทําให้จิตของเราตื่นตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็ให้มีความเบิกบานอยู่เสมอเราก็ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทุกคนและขอให้พยายามทำให้ใจอย่างนั้นหาด้วยการฝึกฝนให้จิตมี